ส่วนรายละเอียดในเรื่องทาบุญเนี่ยนะเราก็ต้องศึกษาอย่าลืมว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนทวนอีกครั้งเนี่ยบุญอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่ว่าเราจ่ายสตังค์ไปเยอะแล้วบุญมากไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฟังให้ดีอน น, นไม่ใช่ว่าหมดตังค์มากแล้วบุญมากแต่หมายว่าบุญเข้าวัดกันที่ตัวความคิดคุณภาพของจิตเนี่ยนะ กามาวจรังกูสลังจิตตังอุปนังโหติเนี่ยเขาว่ากันที่ความคิดนั้นถ้าความคิดดีมีคุณภาพประกอบด้วยศรัทธาฮิริโอตปะประกอบด้วยสุตตาประกอบด้วยปัญญามากคุณภาพบุญอันนั้นมันจะเป็นเป็นสิ่งที่มีบุญมากมีคุณค่ามากบุญตัวนั้นอะทำให้เกิดเนี่ยเต็มไปด้วยรัศมีเป็นต้นมีรัศมีมากกว่ามียศมากกว่าเพราะอะไรเพราะสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเทวดาเห็นและอนุโมทนาอะไรนะ อนุโมทนาว้ท่านผู้เจริญโอ้หน้อท่านผู้เจริญพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินย่อมบันเทิงไหว้พระตถาคตพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ดีเพราะผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพ้นจากทุกข์มันผู้ที่ปฏิบัติดีตามคำสอนเรียกว่าพระสงฆ์เราทั้งลายนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมและนอบน้อมพระสงฆ์ ทีนี้ก็กล่าวต่อไปบอกว่าเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพผู้มาเกิดใหม่เห็นเทวดาที่มาเกิดใหม่มีรัศมีมากมีบริวารยศเป็นต้นเนี่ยมากท่านเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสุคตเข้ามาเกิดในที่นี้ พวกเทวดาที่มาเกิดใหม่เหล่านั้นเนี่ย ร, รุ่งเรืองเกินเหลือ่อมเกินหรือว่าล้ําหรือว่าก้าวหน้ากว่าเทวดาที่มาเกิดก่อนๆทั้งโดยรัศมีและโดยยศอายุก็มากกว่าเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาเชื่อเๆแล้วจะได้เป็นสาวกไม่หมายถึงคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นอริยสัจบรรลุตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้า ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นถามว่าปัญญาของพระองค์นี่นเหมือนอะไรอะไรที่ใหญ่ทั้งหลายเปรียบได้นั่นแหละปัญญาพระพุทธเจ้าก็ใหญ่อย่างนั้นเช่นแผ่นดินนี่ใหญ่ไ้ยบอกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าเสมอด้วยแผ่นดินหรือว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเสมอด้วยอากาศ เสมอด้วยอากาศอากาศเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดชั้นใดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรัสรู้อริยสัจเห็นอริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าบรรลุคุณวิเศษแล้วจึงมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้จึงเหนือกว่าเทวดาอื่นๆหมดเนี่ยนะเหนือกว่าพวกมเมเหนือกว่าพระอินด้วยครั้งตอนหลังพระอินเนี่ยเป็นพระโสดาบัานนะจึงค่อยยังชั่วหน ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพระอินทร์เนี่ยต้องหลบนะหลบบริวารตัวเองก็คล้ายๆอะไรคล้ายๆกับหัวหน้าเนี <m ian meaningful>. ่ยค <culo> ือเป็นใหญ่ก็จริงแต่จนนะลูกน้องเนี่ยเป็นลูกน้องก็จริงอแต่รวยยังเคยเห็นไหมคล้ายๆแบบนี้นะลูกน้องบางคนนี่รวยรวยหัวหน้านี่จนจนแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเนี่ยหัวหน้าในเกรงใจลูกน้องประเภทรวยกว่ามากกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมีเยอะมากประเภทเนี้ย นี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเขาเหล่านั้นเนี่ยเลื่อมสายมากโอ้โหเขาทําบุญในแหล่งที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญจริงๆเขาจึงได้มาเกิดในสถานที่ที่ดีแล้วก็เขาก็มีอํานาจมากกว่ามีบุญมากกว่านะมีวันณะมีอะไรเลยล่ะอย่างที่ดีกว่าเรียกว่าเลื่อมล้ํากว่าเทวดาในสวรรค์นั่นด้วยอำนาจสิบอย่างด้วยกันนะเลื่อมล้ํากว่าเทวดาอื่นๆสิบอย่างด้วยอะไรอายุวันน่ะยศอธิปไตยคืออํานาจ เนื้อกว่าเทวดาทั่วๆไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะทั้งหลายเพราะทุกอย่างที่เป็นทิพย์เนี่ยเนื้อกว่าเราเทวดาอื่นๆทีนี้เทวดาที่เกิดก่อนนะเขาไม่ริษยานะเขาอนุโมธนาดีใจด้วยจริงๆเพราะคนที่มีน้ําใจริษยาเนี่ยเกิดเป็นเทวดาไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะวพวกเหล่านี้เมื่อเรเียกว่าอะไรนะเห็นคนอื่นทําบุญได้มากกว่าเขาทํายังไง อนุโมทนาด้วยนะเขาไม่แหม่แหม่แนนี้มันก้าวหน้าล้ําชั้นไปหน่อยพันแกทําบุญหบาทฉันทำร้อยหนึ่งเลยนะจะได้ล้าหน้าเขาไม่ใช่กลุ่มนั้นเนี่ยนะไม่ใช่กลุ่มที่มีจิตใจริษยากลุ่มเหล่านี้ตรงกันข้ามมีแต่อนุโมทนามีแต่ยินดีมีแต่ความยินดีพันเทวดาเนี่ยคนที่เป็นเทวดาระดับสูงได้เนี่ยมีแต่ยินดีมีแต่ชื่นชมคนที่เขามีบุญกว่ามีแต่อนุโมทนาเขาเมียธยาศัยใหญ่เขาจึงเป็นใหญ่ได้ คนที่มีน้ําใจคับแคบมันก็ตัวเลขเนี่ยนะมันก็แคบมันอยู่ในโลกที่คับแคบเพราะจิตใจมันแคบนะความใหญ่หรือแคบเขาวัดกันที่ไหนคุณภาพจิตถ้าจิตใจคับแคบมันก็อยู่ในที่คับแคบเกิดในที่แคบแต่ถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจกว้างใหญ่ไพศาลก็เกิดในสถานที่ที่สมควรวัดกันที่คุณภาพของจิตย้อนกลับมาบอกว่า ปัญจสิกขเทพผบุญเนี่ยเ ข, เขาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังต่อไปว่าเพราะเหตุนั้นกล่าวกันว่าพวกเทพชั้นดาวดึงเนี่ยนะชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัสโดยประมาณยิ่งหมายความดีใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยเพิ่มปริมาณความดีใจขึ้นว่าโอ้หนอผู้เจริญกายทิ่ย่อมบริบูรณ์กายอาสูญย่อมเสื่อมหมายความว่าอบายเนี่ยลดลงแน่นอนอย่างนี้ครั้งนั้นท้าวศักกะคือพระอินจอมเทพเรียกว่าจอมเทพหมายความว่าหัวหน้าของเทวดาราชาของเทวดา ปกครองเทวดาสองชั้นคือดาวดึงและจาตมเนี่ยนะทรงเลื่อมใสพร้อมอเห็นความเลื่อมใสของเทวดาเทพแล้วก็เรียกเทพเหล่านั้นชั้นดาวดึงว่ า, านะเขาเรียกเทวดาเทวดาเขาเรียกเทวดาด้วยกันว่าท่านผู้นิรุตุ น, นะนะมาริษะเราว่าท่านผู้นิรุตุทุกคนมีแต่ความสุขหมดเลยเนะ อย่างถ้าเป็นบางแห่งเขาเรียกอะไรถ้าเขาเรียกโยมเขาเรียกครหบดีทั้งหลายทานะบดีทั้งหลายท่านเศรษฐีทั้งหลายถ้าเป็นสภาเขาเรียกอะไรท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายแต่ถ้าเทวดาเขาเรียกกันว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคเวรใบเพราะเทวดาทั้งหลายเขาปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายฉะนั้นผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพวกท่านอยากจะฟังพระคุณพระพุทธคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่ อยากฟังไหมพระคุณตามความเป็นจริงนะคุณนะสมบัติของพระพุทธเจ้าปกติเราจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหม เป็นพระุอรหา์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถิที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจําเริญจําแนกทําสั่งสอนสัตว์ปกติเราจะได้ฟังในลักษณะนี้แต่ทีนี้พระอินเนี่ยเขาสามารถสรุปพุทธคุณอีกแนวหนึ่งบอกว่าเขาถามเทวดาว่าเทวดาอยากฟัง พระคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงไหมเนเทวดาชั้นดาวดึงก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะฟังพระพุทธคุณคือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงอะ่ะซึ่งเป็นความจริงจริงเนี่ยแปดอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทีนั้นเท้าสะกะจอมเทพก็ตรัสพระพุทธคุณตามความเป็นจริงแปประการของพระพุทธเจ้าแก่พวกเทพคือทเทวดาชั้นดาวดึงว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงพระคุณข้อแรกก่อนบอกว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเ พ, โเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแปลว่าพระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อสุข เพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้นิรทุกทั้งหลายเราไม่เคยเห็นพระศาสดาที่ปฏิบัติเพื่อความเพื่อกูลแก่ชนจานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนปัจจุบันนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคือเขาเล่าเลยนะบอกว่าเขาพระอินเนี่ยนะตอนที่พระอินเล่าเนี่ยพระอินเนี่ยมีอายุประมาณ36ล้านเกือบสามล้านปีแล้วก็คืออายุร่วม36ล้านปีแล้วตอนนั้นเนี่ยนะตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นพระอินอยู่สามล้านปีมาเนี่ย เขาไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาเลยที่ที่เป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกทีวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่3ามคำนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะสังเกตดูคําที่เราเวลาถวายสังฆทานนะฮิตายะสุขายะนะฮิตัทยะฮิตายะสุขายะเป็นตอนเขาจะมีค่อยคําเหล่านี้ใช่ไหมฮิตายะนี่แปลว่าเกื้อกูลสิ่งแต่อัตายะหิตายะเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่เหล่าสัพพสัตว์เนี่ยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าประโยชน์เนี่ยมีอยู่3อย่างนะหประโยชน์โลกนี้สองประโยชน์โลกหน้าที่สําคัญที่สุดคือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นคําว่าประโยชน์หมายถึงพระนิพพานผู้ที่จะปฏิบัติเพื <S <S ่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่เหล่าสรรพสัตถ์และผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานแก่เหล่าสัตว์ไม่เคยเห็นเลยนะว่าใครจะทําเหมือนกับ พระพุทธเจ้าสาบล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครเขาทากันอย่างนี้เลยเหมือนกันไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่มีใครที่จะปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลสิ่งคําว่าเกื้อกูลเนี่ยฮิตายะเนี่ยนะเกื้อกูลคําว่าเกือกเก้อกูลหมายถึงอริยมรรคเพราะเกื้อกูลช่วยให้สัตว์พ้นจากนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานพ้นจากพิษภัยทุกโทษทั้งหลายนั้นคําว่าเกื้อกูลนั้นเป็นชื่อของอริยมรรค มรสีนะโสดาปฏิมรสกธาคามิมรสนาคามิมร์และอรหัตมร์เพื่อความสุขคําว่าสุขคือโสดาปฏิพนสกธาคารมิลอนาคามิผลและอรหัตผลทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขมีสามคำคำว่าประโยชน์หมายถึงพันนิพานเอาสูงสุดเข้าว่านะเอายอดเลยประโยชน์คือนิพานเกื้อกูลคืออริยมร์เพื่อความสุขคือ อริยผลก็แปลว่าไม่มีผู้ใดเลยเกิดมานี้ไม่เคยเห็นเลยตั้งอดีต36ล้านปีจวบจนปัจจุบันคนที่ปฏิบัติเพื่อให้สัตว์บรรุมรรคผลเช่นกับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพระคุณข้อที่หนึ่งว่าไม่เคยเห็นใครทำเพื่อประโยชน์คนอื่นขนาดนี้เลยโดยมากเอาแต่ประโยชน์ตนเขาว่าใช่ประโยชน์กับคนอื่นก็อะไรนะเฉพาะเอาคนแค่อะไรนะวเวทวงของ ของตัวเองอะนะอย่างเราทํามาหากินเนี่ยคิดจะทํามรดกให้แก่ชาวโลกไหมหรือว่าให้แก่เฉพาะลูกหลานเราแต่ของพระพุทธเจ้ า, าไม่คิดอย่างนั้นพระองค์มองสัตว์ทั้งหมดคือลูกหลานของพระองค์หมดดันั้นพระองค์จะต้องทําเพื่อประโยชน์พ เ, พเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็อยากจะที่บายในเชิงรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้ า, าปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกือเก้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไร คำในอัตถกถาหน้า42บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อเกื้อกูเนี่ยนะหมายว่าเพื่อประโยชน์เพื่อบรรลุมรักผลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนีหมายว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกนี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกหน้าปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานเนี่ยนะพระองค์ทํำอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะพระองค์ทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อัตถกถาที่บายว่าตั้งแต่พระองค์เนี่ยนะรวบรวม ธรรมะ8ประการเพื่อจะได้ตั้งความปรารถนาจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องรวบรวมพุทธคุณก่อนนะรวบรวมให้มีคุณสมบัติประจําตัวแปดอย่างก่อนแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะสําเร็จท่านรวบรวมอะไรบ้าง8ดอย่างก็มีอะไรมนุษยสตว์ังลิงคสัมปัติเหตุสทัทธารัตสนงังปปัชาคุณสัมปติอธิการจุจฉันทตาเนี่ยนะก็คือหนึ่งท่านต้องทําบุญให้มันเกิดเป็นมนุษย์สองต้องเป็น ผู้ชายสามต้องเป็นนักบวชสี่เมียพินยาห้าสมาบัติแปดห้าาตินั้นนะถ้าต้องการจะได้เป็นพระอระหรันตะ์ถ้าต้องการจะต้องเป็นพระอระหันต์และหกต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าเจ็สละชีวิตเป็นพุทธบูชาข้อ8ปปรารถนาใจเนี่ยต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่า ทนทุกทรมานทุกอย่างต้องการความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพันรวบรวมคุณธรรมแปดประการนี้แล้วตั้งความปรารถนาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยเรากำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรกตรสหมาย ว, ามว่าเจริญอริยมรตและจะให้คนอื่นเจริญมรตุด้วย พันธ์เราพ้นทุกข์แล้วจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราปริญนี้ผ่านแล้วจะให้ผู้อื่นปริญนิพผ่านด้วยสรุปก็ยอ่อๆก็คือบอกว่าเราพ้นทุกข์แล้วให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยแล้วก็อันนี้คือการตั้งความปรารถนาของท่านทั้งหมดนี้ก็คือทําเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในคุณธรรมแปดประการเนี่ยนะที่พูดไปเมื่อกี้มีอยู่ข้อหนึ่งก็คืออ คุณอ ะ, อะไรนะชาตินั้นเนี่ยนะท่าปรารถนาจะเป็นพระอรหรอันต์นะชาตินั้นถ้าต้องการอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วถ้าท่านต้องการจะเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นเลยหมายความว่าฟังธรรมสักสองบรรทัดเนี่ยนะเช่นฟังธรรมอะไรก็ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนประกาศอริยสัจเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีบรรลุเลยเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นนะ ก็ต้องเรียกว่ามีคุณธรรมมีคุณสมบัติมีความพร้อมขนาดนั้นน่ะจึงจึงจะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ประโยชน์ของท่านถือว่าสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาแต่ที่เหลือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพรา ะ, ะนั้นการที่พระองค์ทํำทั้งหมดเนี่ยนะสร้างบารมีทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นและพระองค์ทํำยังไงบ้าง <c oughs> พระองค์ให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็บําเพ็ญบารมีสิบใช่ไหมบารมีสิบมีอะไรบ้าง 1. ทานบารมีสองศีลบารมีสเนคขมะบารมีสปัญญาบารมีหวิริยะบารมีหขันติบารมีเจสัจจะบารมี 8. อธิฐานบารมี 9. ้าเมตตาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีบารมีข้อแรกเนี่ยบารมี10ประการเนี่ยแจกเป็น3ระดับระดับบารมีธรรมดาระดับอุปปารมีและระดับ ปรามัธบารมีระดับบารมีธรรมดาเนี่ยวัดกันตรงไหนถ้าสูญเสียเข้าของภายนอกตัวของนอกตัวทั้งหมดที่เสียสละไหมเพราะว่าให้ทานนึงขนาดว่าหมดเรียกว่าให้จนหมดตัวเนี่ยนะรักษาศีลจนหมดตัวเจริญภาวนาทุกอย่างเอาแค่หมดตัวเขาว่าอันนี้เป็นบารมีปกติบารมีปกติธรรมดาบารมีธรรมดาถ้าหากว่าให้ทานจนถึงกับแลกด้วยเนื้อเลือดอวัยวะ อันนี้เป็นอุปบารมีหรือรักษาศีลจนสูญเสียเนื้อเลือดเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าอุปปารมีถ้าถึงกับให้ทานถึงกับสละชีวิตรักษาศีลจนถึงกับสละชีวิตเรียกว่าปรมาทปารมีคิดง่ายง่ายท่านแรกด้วยโภกท้ศัพย์เรียกว่าบารมีต้องสูญเสียโภกทรัพย์ในการเจริญบุญเรียกว่าบารมีถ้าถึงกับสูญเสียอวัยวะเป็นอุปปารมีถึงกับสูญเสียชีวิตไปเรียกว่าปรมาทปารมีเนี่ยนะ จะต้องให้ทานเนี่ยนะจะต้องสูญเสียสมอย่างรักษาศีลก็สูญเสียสมอย่างเนี่ยนะทำทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยนะสร้างบารมีสิบทาบารมีทุกอย่างให้ทานก็บอกว่าเสร็จพอบุญที่เกิดจากการให้ทานของเราป่าถนาว่ายังไงนะสุทินางวัตเมทานางอาสวัคยวหังนิพานะปะัจจโยโหโตสุธินทุติยมปีสุทินางวัตเมทานาง สัพพะทุกขาปะมุตเจเยสุทินะนตตะยามปิสุทิ น, นังวตัตเมทานังนิพพานะปัจโยโหตุคนเดียวไปได้เมืออ่อไหร่ก็ไปแล้วนะคิดเผื่อคนอื่นไหมตอนนั้นนายอมเวลาว่าเมื่อเช้ายอมโมคิดเผื่อคนอื่นบ้างไหมว่าข้ขาพเจ้าไปได้ก็ไปแล้วบอรอเราไม่คอยใครแล้วเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะนี่เขาเรียก ว, ว่าแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทานปับสุทิ น, นังวตัตเมทานังไปต้น ขอทานที่เราได้ให้แล้วเนี่ยเราจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาสมาทานศีล ร, รักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกอย่างบอกว่าผลแห่งศีลที่ได้รักษาเนี่ยจงเป็นไปเพื่อช่วยคนอื่นบัตตรสรู้ทุกอย่างคิดเพื่อคนอื่นหมดเลยถามว่าทำเพื่อตัวไหมบอกไม่จักอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นทุกมันทําทุกอย่างสร้างบารมีทุกอย่างเพื่อช่วยโลกให้พ้นจากทุกขเนี่ยนะ รักษาศีลทุกอย่างเจริญออกบวชทุกอย่างบอกว่าจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกสัพพทุกขาประมุลใจเยนเนี่ยต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกหมดเลยเจริญเมตตาท่านะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะเจริญปัญญาเพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกภพภาคเพียรขยันทําบุญความมันเพียรทั้งหมดทําเพื่อคนอื่นคิดง่ายๆบอกว่าแม่หลายคนก็บอกว่าที่ทําอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพื่อใคร เพื่อลูกมันโอ้ยทนจริงๆเลยนะมาหาทนเลยนะทนจริงๆตื่นตั้งแต่ตีสี่หลับตั้งแต่สี่ทุ่มห้าหกทุ่มแล้วก็ตื่นตีสี่วนอยู่อย่างเงี้วันแล้ววันเล่า ว, วันแล้วว่าเล่าดีไม่ไดีอดหลับทั้งคืนอย่างเงี้ยนะเพื่อใครบอกเพื่อลูกเป็นต้นไอ้ลูกดียังไงถึงขนาดลงทุนขนาดนั้นใช่ไหมก็บอกว่าด้วยใจเมตตาของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกนะเป็นความหวังดีเป็นความเอื้ออาทรเป็นความปรารถนาดีของพ่อแม่ ที่มีต่อลูกชันใดพระพุทธ เ, เจ้าถ้าพระองค์มองเห็นคนอื่นทั้งหมดเป็นลูกล่ะพระองค์ก็ทําได้ตลอดเนี่ยนะก็ทําได้ทั้งหมดก็มองรักคนอื่นเหมือนกับลูกนะเหมือนกับแก้วตาดวงใจด้วยเมตตาด้วยกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายพันพระองค์จึงสร้างบารมีทั้งหมดทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพัะให้ทานเนี่ยนะ ปริมาณของการให้ทานเขาคิดอย่างงี่งายง่ายว่าอของพวกเราให้ทานร้อยหนึ่งพระพุทธเจ้าให้มากกว่าเราคูนร้อยเนนะชาวโลกทั้งโลกให้ทานรวมกันแล้วเป็นปริมาณเท่าไหร่นะสมมติโลกทั้งโลกคนที่ทําบุญทั้งโลกเนี่ยนะทำบุญมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าทำแล้วของชาวโลกทั้งมวลเนี่ยมาคูณกับพระพุทธเจ้าจะทําทําคูณเกินร้อยถ้าพวกเรารักษาศีลถ้ารับธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรักษาเกินเราเนี่ย คูนร้อแล้วเกินทุกคนเนี่ยคูนร้อยหมดเลยอันั่นแหละก็เรียกว่าสัตตะปุญญลักคนโนพระพุทธเจ้าผู้มีบุญนับรอ้อยนะมีบุญนับร้อยท่านทุกอย่างพระองค์ทําเกินกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมากมายที่ทําได้มากขนาดนั้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีใจริษยาต่อใครเลยเนยนะเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจึงช่วยเหลือสรรพสัตว์ น, นะให้เขาบรรลุหาประมาณไม่ได้ น, นะพระองค์จึงช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยบรรลุช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้หาประมาณไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ตั้งความปรารถนาและทำเหตุมาเพื่อที่จะช่วยเหลือโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจะให้พ้นจากวัฏฏุกให้พ้นจากสังสารทุกข์งนั้นพระอินท์เขาอาัศจรรย์ใจมากว่าเกิดมาไม่เคยเห็นใคร ดีขนาดนี้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันไม่เคยเห็นเล ย, เ น, ยนะสามสิบหกล้านปีเนี่ยนะแต่เราก็คิดดูนะว่าเราตั้งเอางี้ดีกว่าพระอินทร์พูดเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะตั้งแต่สองพันปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเราเคยเห็นใครเท่าพระพุทธเจ้าไหมเคยเห็นเท่าไหมอย่าว่าล้ําเลยอย่าว่าเกินเลยว่าเท่ายังไม่มีเลยแบบนั้นนะนะหายากขนาดไหนเพราะอะไรเพราะแม้แต่จวบปัจจุบันเนี่ยอนาคตอีกต่อไปคนที่จะดีเท่าพระพุทธเจ้าคือ พระศีอารเนี่ยนะพระศีอริยะเมตตายะเนี่ยนะพระเมตตยะเท่านั้นแหละที่จะดีเท่าพระพุทธเจ้าไม่ดีเกินนะดีเท่านะพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นและที่ดีเท่าอัสมะเนี่ยนะแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้เสมอบุคคลที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์จะเสมอกันทเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าด้วยกันจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าไม่มีการเกิดขึ้นพร้อมกันห่างกันเป็นพุท ธ, ธรรันดรห่างกันกันดินนาร่วม 20กิโลเมตรน่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยนะเอาแผ่นดินหนาได้ยังไงเช่นแสงอาทิตย์เป็นต้นส่องลงมาเนี่ยนะแผ่นดินจะทําให้หนาขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยเหตุผลอันอื่นด้วยทําให้แผ่นดินเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะันแผ่นดินหนาขึ้นร่วม20กิโลเมตรเนี่ยนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งจึงจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะเสมอกัันกบารก บางคนบอกโอ้จะรอพระพ่ภา ษ, ษีอาณเนี่ยนะมีบุญพอรอก็เนี่ยนะมีบุญพอก็ตามใจแล้วกันนะนะบอกว่าอีกเป็นอีกเป็นล้านล้านล้านปีเนี่ยนะเราจะทานอะไรรอท่านนะ <c oughs> อ่ะบางคนมันก็บอกโอ้ยเดี๋ยวเรือลานี้ไม่ไปรอกไม่พอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์นี้รอเขาจะรอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็เหมือนก็บอกว่าโอ้เที่ยวนี้ไม่ไปรอกรอเที่ยวหน้าอีกอีกเกินหมื่นล้านปีเนี่ยนะรอไปเถแล้วจะทานอะไรรอวังนั้นนะ ท ำ, ทำอะไรรอมันก็ต้องคิดให้นดีๆสําหรับคนที่อะไรนะป่าถนารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เข้ามาไม่ว่าอะไรรอกนะแต่ถ้าหากว่าทําปฏิบัติในพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วโอทําสุดความสามารถแล้วไม่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตรัสรู้ง่ายตรัสรู้ไม่ยากพวกบรรลุเร็วๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะสั่งสมบุญในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไว้ดีๆเนี่ยนะแต่ที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าอดีตอนาคตปัจจุบันตรัสรู้ไม่ต่างกัน ตรัสรู้สิ่งเดียวกันคืออะไรเพราะเขาบอกว่าความจริงมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นความจริงที่ทําให้พ้นทุกมีอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานมีอย่างเดียวเท่านั้นคือมรรคแดมันก็มีอยู่เท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์ปฏิบัติมรรคแปตรัสรู้นิพพานแล้วก็มาสอนมรรคแปดให้ผู้อื่นปฏิบัติตามนั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่เกิดห่างกันที่ห่างกันเช่นนั้นก็เพราะว่าคนที่จะสร้างบารมีเช่นกับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ หาได้ยากเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่จะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ใช้เวลานับตั้งแต่พุทธพยากรณมาก็เท่าไรสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแม้กระทั่งทุกภพทุกชาติเช่นตอนชาติเป็นขันติวาทีดาบทพญาช้างฉัตรทันทุกอย่างการปฏิบัติของท่านก็เพื่อประโยชน์เพื่ อ, อความสุขแก่ชนจํานวนมากเป็นพระเวสสันดรก็ทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชน จำนวนมากตอนที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เกิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนจํานวนมากจนะนะจุติจากดุสิตมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนถึงออกบวชตรัสรู้แสดงทำทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเลยนะก็แปลแปลภาษาไทยง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าทําเพื่อใครเพื่อเราสัตว์ไอ้เล้วเราด้วยไหม ว่าเออถ้าถ้าถ้าเรามาตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าทำเพื่อเราใช่ไหมบอกใช่เออแล้วแล้วเราได้อะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทำให้เราเยอะแยะเลยเนี่ยนะแล้วเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างามาตั้งคาถามดูนะเราได้อะไรบ้างจากการนับถือพระพุทธเจ้าอย่าลืมนะถ้าไม่รู้สึกว่าได้โยมเออเสียแน่นอนมันมี2องอย่างโลกเนี่ยมันได้กัเสีย